ท่านทั้งหลายในกรณีที่เราท่านทั้งหลายระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในการที่พระองค์บำเพ็ญปรมีสิอุปป ร, ปรมีสิบแล้วก็ปรมัตถปรมีสิในขณะที่ทรงเป็นมหาบุรุษนั้นทรงร้อนใจด้วยความทุกข์เพราะเห็นแก่ประชาชนละทมทุกข์ก็หมายความว่าพระมหาบุรุษนั้นเห็นสัตว์โลกใช่ไหมที่ตกละกัมลาบากด้วยชาติทุกข์ชราทุกข์พยาทุทกข์มรณะทุกข์ก็ละงมไปด้วยความโศความร่ำไรําพันธุ์เป็นต้น ได้กระทํากรุณาในหมู่สัตว์เหล่านั้นอยู่เป็นนิดพระโพธิสัตว์นั้นได้ทราบว่าวิธีนี้เป็นอุบายปลดเปลื้องประชาชนนั้นเป็นผู้คงที่รับความผิดของสัตว์โลกนั้นไวไ้ในตนในพระบาลีที่ท่านใช้คาว่าโสจึ่งแปลวันนั้นน่ะนะคือพระโพธิสัตว์หรือพระมหาบุรุษนั้นผู้ได้รับการบําเพ็ญบารมีที่พระ อ, องค์บ่มเพาะบารมีนั้นน่ะนะท่านร้อนใจด้วยความทุกข์เพราะเห็นอะไร เห็นสัตว์โลกนั้นละทมด้วยความทุกข์ละทมด้วยชาติทุกข์ในคําที่บอกว่าทุกขะขินนะชนะทัศนะทุกข์ขคินโนคือร้อนใจมากเดือดร้อนใจมากกวลกวายใจนืถามว่าเดือดร้อนใจด้วยโทมานาท์ไหมไม่ใช่เดือดร้อนใจด้วยกุศลกุศลจิตที่เกิดขึ้นนั้นนะพระองค์ไปเห็นความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายก็ท่านใช้ศัพท์ว่าร้อนใจคือได้รับความลําบากได้รับความสลดใจด้วยความทุกข์ เห็นสัตว์นั้นประสบชาติทุกข์ชราทุกข์พยาทุกข์แล้วก็มรณะทุกข์เห็นสัตว์นั้นกําลังจมอยู่ในห่วงของมหันทุกข์เพราะเห็นสัตว์เหล่านั้นได้รับความลําบากความทุกข์จริงอย่างนั้นนะครุณาคือความสงสารย่อมทําให้ฮัทัยคือจิตใจของสาธุชนคือคนดีทั้งหลายในเมื่อผู้อื่นมีทุกข์เนี่ยครุณานั้นย่อมเบียดเบียนกําจัดความทุกข์ของบุคคลอื่นในคําเหล่านั้นบาลีท่านใช้คําว่าทุก์ขัง ทุกขังก็คือความทุกในความทุกในที่นั้นเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของเวทนาทีนี้เวทนามีอยสองประการนะทุกขเวทนาทางกายกับทุกขเวทนาทางใจในทุกขเวทนาทั้งสองนั้นเวทนาที่เป็นไปในทางกายชื่อว่ากายยิกะกายยิกะทุกเวทนาทางกายนั้นเป็นสุขบ้างเป็นทุกขบ้างเวทนาที่เป็นไปทางใจเรียกว่ามานสิกะหรือเจตสิกะก็ได้ เป็นเวทนาทางใจเป็นโสมนัสบ้างดีใจบ้างเป็นโทมนัสบ้างเสียใจบ้างโทมนัสเวทนาเท่า น, า น, น, านั้นท่านกล่าวว่าเป็นทุกข์ในที่นี้ถามบอกว่าเวทนาที่เป็นไปในมโนทวารเท่านั้นเป็นทุกข์ที่เป็นไปทางจักรทวารเป็นต้นไม่เป็นทุกข์หรือท่านก็เฉลยบอกว่าเวทนาที่สัมบุญด้วยจักขวิญญาณนะเวทนาที่สัมยุญกโสตวิญญาณเวทนาที่สัมยุญกคาณวิญญาณชิวหาวิญญาณ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นอุเบกขาเวทนาเท่านั้นก็การที่อุปาทายรูปกับอุปาทายรูปกระทบกันนั้นท่านกล่าวว่าเพราะอะไรเพราะอุปาทายรูปนั้นมีกาลังอ่อนแม้ในจักขุทวานนั้นจกนนันจกรุวิญญาณที่เป็นกุศลนิบาวก็มีจักขุวิญญาณที่เป็นอกุศลนิบาวก็มีแม้ในโสตทวานเป็นต้นก็เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นมีทั้งจกักรุ ยาที่โสตวิญญาณที่เป็นกุศลนิบาศและเป็นอกุศลนิบาศภาษาที่สัมบยอดกับจักรุ ญ, ญาณ น, นั้นเป็นกุศลนิบาศก็มีนะเป็นอกุศลนิบาศย่อมเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่เวทนาที่เกิดพร้อมกันและเวทนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นต่อๆมาสรุปก็คือเวทนาที่เป็นไปในจกักขุทวารโสตทวารกันนาเทวานชิวหาทวารและกา ย, ยาทวารเห็นไหมเวทนาที่เป็นไปในทางทวารตาหาูจมูกลิ้นกายเนี่ยเวทนาเหล่านั้นเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่ทุกขเวทนาในไหน เป็นปัจจัยแก่ทุกขเวทนาทางใจก็ได้เช่นโทมานัสเวทนาที่เกิดขึ้นทางใจหรือทางโชนะที่เป็นไปทางมโนทวารแม้ทุกทางกายที่สัตว์ทั้งหลายได้ประสบความทุกข์ต่างๆดั ง, ๆทงที่ได้กล่าวแล้วนี่นะนั้นบุคคลเห็นรูปที่น่าใคร่หน้ากำหนัดจักสุที่จักขูวิญ ญ, ญาณที่เป็นกุศลนิบากรรมกับอยู่ความเสียใจอย่างใหญ่หลวงย่อมเกิดขึ้นเพราะไม่ได้สิ่งที่ปรารถนา ด้วยความยินดีในรูปหรือสูญเสียรูปที่ได้แล้วบุคคลถูกความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจครอบงำทำให้พี่หน้าแหงชีวิตเมื่อบุคคลเห็นอารมณ์นน่ากลัวเช่นประสบความกลัวต่างๆเห็นเหตุการณ์ที่เขาประทุสลายแผ่นดินไหวน้ำท่วมไฟไหม้เป็นต้นตลอดถึงความวิบัติต่างๆที่เข้ามาถึงตนเองเป็นต้น จักส่วิญญาณที่ทํากิจในการเห็นเป็นอกุศลวิบากกําำกัดอยู่แล้วก็กลัวย่อมมีความสิ้นชีวิตจริงอย่างนั้นแม้อุเบขาเวทนานี้ย่อมเป็นไปเสมอกับทุกขเวทนาก็อทุขเวทนาบางอย่างย่อมไม่มีแก่อกุศลวิบากแม้ในโสตะทวานเป็นต้นเมื่อบุคคลได้ยินเสียงสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาได้ดมกลิ่นที่ไม่น่าชอบใจเป็นต้นได้สัมผัสรสเผ็ดที่ไม่น่าสนใจ ในที่สุดจริงๆพอมาถึงชาวนะแล้วก็เป็นปัจจัยเกิดโทมานั ส, สเวทนาคือความโทมนัตทางใจเกิดความเสียใจถามว่ารูปเป็นต้นจะประกาศเวทนาในจกัจกจักุทวารเป็นต้นได้อย่างไรย่อมไม่สามารถจะกำจัดถ้าถามบอกว่าในจักขุทวารแม้จักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณและกายวิญญาเยวิญญาณเป็นต้น ไม่มีความกำหนัดไม่มีความขัดเครืองและไม่มีความลุม่มหลงก็จริงอยู่แต่เมื่อวิญญาณเหล่านั้นดับลงเพราะด้วยความยึดติดของสัตว์โลกทั้งหลายที่สัตว์เหล่านั้นมีมิจฉาทิฏฐินีการที่เข้าไปรู้ไม่เท่าทันในการเกิดขึ้นของจับวิญญาณเป็นต้นคือวิญญาณทางตาเป็นต้นในที่สุดจริงจอาวชนะจิตที่เกิดขึ้นทางมโนทวานก็ประกาศอารมณ์นั่นแหละชั้นใดประการต่อมากายวิญญาต์วจีวิญญาต ก็เกิดขึ้นแม้ความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงความกลัวความสะดุ้งและความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความตรอมใจก็เกิดขึ้นในโชนะเขาเรียกว่าธมนะเสวทนาก็เกิดขึ้นเพราะปารบรูปบ้างเพราะปารบเสียงบ้างเพราะปลาลบกลิ่นบ้างปลาลบรสบ้างปารบสัมผัสบ้างปลาลบธรรมารมณ์บ้างสัตว์เหล่านั้นก็มีความเศร้าโศกมีความเสียใจมีความหลงความกลัวความสะดุ้งความโศกความตรอมใจ พระโพธิสัตว์ก็ไปพิจารณาเห็นสัตว์ทั้งหลายที่ยังออกจากความทุกข์ความสะดุ้งความโศกความตรอมใจสัตว์บางประเภทอยู่ในอบายภูมิไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสรกายเป็นสตรีฉานหรือที่เป็นมนุษย์ในเหล่าเผ่าพันธุ์ต่างๆเหล่านี้เมื่อพระโพธิสัตว์ไปพิจารณาเห็นความทุกข์ต่างๆที่เป็นไปทางกายและที่เป็นไปทางใจเวทนาที่เป็นไปทางทวารทั้งสองย่อม มีหลายอย่างได้ความต่างแห่งอารมณ์คือชาติทุกข์บ้างทุกข์เพราะความเกิดชราทุกข์ทุกข์เพราะความแก่พยาที่ทุกข์ทุกข์เพราะความเจ็บป่วยมรณะทุกข์ทุกข์เพราะความตายทุกเพราะการฆ่าการเบียดเบียนกันในโลกนี้เป็นต้นในโลกหน้าเป็นต้นและทุกที่เป็นไปในสังสารวัฏในการแสวงหาอาหารทุกข์ในการทํามาหากินที่เราท่านทั้งหลายต้องดิ้นหลนกระเสือกระสน ในการที่จะต่อสู้ชีวิตทุกในนรกทุกในกําเนิดสัตวรัจฉานทุกในเปรตวิสัยสมดังที่ท่านกล่าวไว้ในสังเวคธรรมที่บอกว่าชาติคือความเกิดชราคือความแก่พยาธิคือความเจ็บไข้จุติคือความตายทุกแนบายวัตถทุกขแนอดีตวัตถุทุกในอนาคตทุกแห่งการแสวงอาหาอาหารในปัจจุบันพระโพธิสัตว์นั้นเมื่อท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่ในชาติที่มีอภิญญาทั้งหลาย ท่านก็สามารถเห็นมหมาชนทั้งหลายที่ตกอยู่ในหล่มแห่งพบเหล่านั้นร่างกายแหลกลานละเอียดถูกทุกใหญ่หลวงเบียดเบียนอยู่เสียแทงเน็ดเหนียวหรือเน็ดเหนื่อยเพราะความเร้าร้อนหรือร้อนลนผู้ไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่เร้นไม่มีที่พึ่งหัวใจของพระโพธิสัตว์ก็วันไหวด้วยมหากรุณาอดกั้นความทุกข์ที่เกิดจากการถูกตัดมือตัดเท้าถูกตัดจมูก ตัดศีรษะเป็นท่นที่หมู่ชนคนอันดาพานผู้มีโมหะปกปิดไปทําบาปอากุศลกรรมบรามกหยิบยื่นให้แก่ตนได้กระทําความการุณาเท่านั้นเป็นนิทนิรันต์ตลอดการนานยาวนานไม่ได้คิดเลยว่าประโยชน์อะไรกับคนเหล่านี้พระโพธิสัตว์ท่านไม่ได้คิดเลยว่าประโยชน์อะไรเราจะต้องเอาทุกข์ของท่านเหล่านี้มาแบกมาใส่ตัวเราให้มันหนักทําไม ท่านกลับคิดว่าเราจะพยายามอยู่เราจะปลดเปลื้องคนเหล่านั้นออกจากชาติทุกขชราทุกมรณะทุกขโสกาพุิเดวทุกกาโทมณัสสะและอุปาญาตให้ได้ท่านมีความมุ่งมั่นว่าเราจะต้องปลดเปลื้องท่านเหล่านี้ออกจากวัตถุทุกให้ได้แต่คนเหล่านี้พากันเบียดเบียนแต่เราไม่ได้ทําความแม้เพียงความเสียใจถึงท่านเหล่านั้นกลับมาบัตถสลายพระองค์มาเบียดเบียนพระองค์ เราท่านทั้งหลายกระแสะขันของเราท่านทั้งหลายที่มาอย่างยาวไกลในสังสารวัฏเราเชื่อหรือไม่ว่าบางครั้งเราเบียดเบียนพระโพธิสัตว์เราไม่รู้หรอกว่าในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกใบนี้หรือในสังสารวัฏที่ผ่านมาที่เราท่านทั้งหลายไปเบียดเบียนเขาให้ว่าท่านมีกระแสโพธิญาณอยู่ในใจหรือไม่ ฉะนั้นกระแสะขันของเราเนี่ยด้วยการที่มีโมหะปกคลุมในกระแสะขันอันยาวไกลในสังสารวัตที่ผ่านมาเชื่อไหมบางครั้นเราบางพบบางชาติเราไปตบไปตีเราไปประทุษรายพระโพธิสัตว์บางทีเราไปฆ่าท่านบางทีเราไปเอาเนื้อของท่านมากินบางทีเนี่ยเราก็ทําบาปกรรมชั่วช้ามากนะแต่พระโพธิสัตว์ก็ไม่เคยคิดที่จะถือโทษโกรธเคืองเราท่านทั้งหลายเลย พระ อ, องค์กลับให้อภัยบอกว่าเราไม่ถือเราไม่คิดว่าประโยชน์อะไรกับคนเหล่านี้เราพยายามจะปลดเปลื้องทุกข์ของคนเหล่านี้อยู่แต่คนเหล่านี้ก็กลับมาทบมาตีเรานคนเหล่านี้กลับมาเบียดเบียนเรานคนเหล่านี้กลับมาฆ่าเราบางภพ บ, บางชาติพระ อ, องค์ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์มันโลกที่ตาบอดมืดมิดก็ไม่เห็นคุณธรรมในกระแสะใจของสัตว์เดรัจฉานนั้น ก็ไปเบียดเบียนสัตว์ตาฉานเอาเนื้อของท่านมากินเป็นต้นบางทีท่านไปเกิดในสัตว์โลกบางทีเราไปเกิดตายเป็นนายนียบาลเราก็ไปทูบไปตีไปทรมานท่านเราไม่เคยเห็นใจท่านเลยอะว่าท่านคนนี้บำเพ็ญบา ร, รมีเพื่อจะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัฏนะเราทําไมใจร้ายใจละก๊าบกันขนาดนั้นใช่ไหมทำไมพิจารณาอย่างนี้ถามว่าเราเห็นคุณของท่านไหมว่าทําไมพุทธเจ้านั่ น, นว่าเราจักพยายามปลดเปลื้องความทุกข์ ของสัตว์เหล่านี้จะปลดเปรื่องสัตว์เหล่านี้ให้ออกจากวัฏทุก์แต่คนเหล่านี้เบียดเบียนเราไม่ได้กระทําแม้แต่เพียงความเสียใจในสัตว์เหล่านั้นได้แต่มีใจหวั่นไหวด้วยกรุณาว่าโมหะช่างมีอนุภาพนะักท่านไม่เคยไปโกรธเรานะแต่ท่านบอกว่าโมหะนี้น่ากลัวมากโมหะปกครองกระแสใจของท่านผู้ใดทําได้แม้กระทั่งผู้มีคุณถามบอกว่า ตอนที่พระโพธิสัตว์เนี่ยช่วยลูกน้องตนเองให้พ้นจากบ่วงแห่งมารทั้งหลายให้พ้นจากกระแสของที่เขาจะยิงจากลูกศรทั้งหลายพระองค์ก็ใช้ตัวเองเนี่ยในการที่จหน่วงเชือกแล้วก็ให้ลูกน้องเหยียบขาเหยียบข้ามตัวเองไปเนี่ยสัตว์เหล่านั้นก็ไม่เห็นโทษก็กระทืบท่านบ้างและสารพัดบางทีเนี่ยแบกท่านออกจากป่าช่วยเหลือท่านกระทบตีเอาใช่ไหมถามว่าเราคิดยังไงเนี่ย ถามว่าเราก็เคยเบียดเบียนท่านมาเนี่ยแต่ท่านก็ไม่เคยถือโทษเราเนี่ยถามว่าเราจะปลดเบื้องความทุกข์ของเราอย่างไงใช่ไหมความความกรรมที่เราเคยทําผิดกับท่านอย่างไงเราจะบดเบื้องอย่างไงเนี่ยตรงนี้แหละเป็นโอกาสที่เราท่านทั้งหลายต้องตั้งจิตสํานึกในคุณของพระผู้มีภาคเจ้าแล้วต้องคิดให้ออกนะตรงเนี้ยถ้าเราคิดไม่ออกเราก็จะคิดว่าไอ้คนอย่างเราเราไม่กล้าทําพระโพธิสัตว์แต่เรารู้ได้ยังไงถามว่าที่นั่งนั่งกันอยู่นี่เราจะรู้ไหมว่าใครตั้งโพธิในใจไว้ เราเคยคิดเบียดเบียนคนเหล่านี้บ้างไหมแล้วถามว่าในชีวิตที่ผ่านมาในปัจจุบันพร้อมเนี่ยเราเคยกโกรธใครไหมนะเราเคยคิดเบียดเบียนคนอื่นไหมะฉะนั้นในขณะที่เราคิดกโกรธคิดเบียดเบียนเขานั้นน่ะกระแสใจของเรานะของเรานั้นตั้งมั่นในคุณของพระโพธิสัตว์ผิดพลาดแล้วเราเบียดเบียนท่านแล้วฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องระมัดระวังวิธีคิดให้ดี ถ้าปราถนาจะเดินเส้นทางในการจะบ่มพาะบารมีเนี่ยอย่าไปผิดพลาดอีกมันผิดพลาดมานานแล้วเพราะเราไม่รู้หรอกว่าใครเนี่ยว่ามีคุณธรรมต่ำมากน้อยปานกลางหรือสูงสุดใช่ไหมใช่ถามว่ารู้ไหมเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยในยที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยพระโพธิสัตว์ไม่โกรธแต่ท่านบอกว่าโมหะเนี่ยช่างมีอนุภาพนักตัณหานี่ช่างมีพลังแท้ เมื่อบุคคลเช่นเราพยายามจะปลดเปื้องสรรพสัตว์ออกจากวัตทุกู่อย่างนี้แต่สัตว์เหล่านี้กระทำความผิดอย่างนี้ความทุกใหญ่หลวงซึ่งมีข้อนี้เป็นเหตุจักมีแก่สัตว์เหล่านั้นท่านก็ได้แต่กรุณาถามว่าในกรณีที่บา ร, รมีท่านเต็มใช่ั้ยแต่สัตว์เหล่านั้นก็ไม่เห็นคุณของท่านไม่เห็นคุณของท่านเพราะเราเรามืดไงเพราะความโง่ที่มันปกคลุมกระแสขันไง อายอมไปจริงไหมเราเคยคิดเบียดเบนคนอื่นจริงไหมแล้วเราไม่เคยรู้เลยท่านเหล่านี้เป็นพระโพธิสัตว์อะจะเป็นสัมมาสัมโพธิที่เขาตั้งไว้ในใจก็ได้ปเจกโพธิ์ก็ได้หรือว่าสาวกกาโพธิ์ก็ได้เอ๋เราไม่ประมาณอย่างไงทําไมไม่ประมาณความคิดมหาบุรุษเป็นผู้มีใจหวั่นไหวด้วยกรุณาอย่างนี้แล้วก็สแสวงหาอุบายเดี๋ยคิดว่าเราจะยกสัตว์นี้ผู้หลงแล้วอย่างนี้ผู้มีความ อยากรุนแรงมากมีตันหาครอบงากระแสขันท่าอย่างรุนแรงผู้สําคัญสิ่งที่ไม่ใช่ตนว่าเป็นตนถามว่าโอ้โ oh, ห oh, สัตว์นี่มืดมากเขาสําคัญว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกว่าเป็นตนเลยเอายอมคิดอย่างนั้นมหมยอมคิดว่าตาเป็นของเราใช่ไหมหูจหมูกเล่นกายใจเป็นของเราใช่ไหมบอกสัตว์เหล่านี้เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิสาคัญสิ่งที่ไม่ใช่ตนว่าเป็นตน พระโพธิษัตวบอกว่าเราจะยกสัตว์ที่สําคัญผิดออกจากทุกข์ออกจากเขตแห่งทุกข์ให้อย่างได้อย่างไรท่านก็คิดเราจะสร้างบารมีอย่างไรเราจะบ่มทานบารมีศีลบารมีเนคขมารปัญญาวิริยะอย่างไรที่เราสวดกันเนี่ยทานาบารมีที่เราสวดกันเนี่ยเราจะได้เห็นคุณท่านว่าได้เห็นอุบายแล้วอุบายอะไรท่านถือขันติคือความอดทน ถามบรุษทราบว่าขันติเท่านั้นที่จะเป็นอุบายในการปลดเปลื้องสัตว์เหล่านั้นออกจากเครื่องพันธนาการคือพบสัตว์เหล่านี้ไม่สามารถจะออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ไม่สามารถจะออกจากกามมาพบรูปประพบและอรูปปพบได้เป็นผู้คงที่รับความผิดไว้ในตนในคาถาที่บอกตาทีปรทาทามิอัตตนิ โรปีโซมมหาบรุษนั้นเป็นผู้คงที่รับความผิดไว้ในตนมั่นคงว่าความผิดเนี่ยเอาแบกไว้ในตนถามว่าอธิบายยังไงมหาบรุษเป็นผู้คงที่มีใจไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวยังไงไม่หวั่นไหวเพราะโลกธรรมไม่หวั่นไหวเพราะได้ลาบไม่หวั่นไหวเพราะเสื่อมลาบไม่หวั่นไหวเพราะมียศไม่หวั่นไหวเพราะเสื่อมยศ ไม่หวั่นไหวเพราะนินทาไม่หวั่นไหวเพราะเสริเสริญไม่หวั่นไหวเพราะสุขไม่หวั่นไหวเพราะทุกข์เพราะพระโพธิสัตว์ท่ทานรู้บอกว่าเมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็จะต้องมีาการได้ลาบเสื่มลาบมียอดเสื่อมยอดนินทาเสริเสริญมีสุขมีทุกข์ใช่ไหมถามว่าในขณะที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราบริบูรณ์มันดีตอนนั้นไปลวาเร า, เราได้ได้ไม่ได้เราได้อะ่ะ มันกําลังเจริญรุ่งเรืองขึ้นมามันได้เหมือนได้ลาบเหมือนได้ยศเหมือนได้ความสุขใช่ไหมแต่ณปัจจุบันนี้ตาหูจมูกเล่นกายใจมันค่อยๆทยอยเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมแปลว่ามันกําลังเสื่อมยศความสุขมันก็จะเสื่อมหายไปแล้วลาบมันก็จะหายไปแล้วจากการที่น่าสารเสริญก็ต้องมานั่งดินทาสลีละนี่แปลว่ามันเสื่อมหมดแล้วมันแย่แล้วว่างั้นเถอะ ฉะนั้นพระหมาบุรุษนั้นบอกบอกว่าเป็นผู้คงที่เราจะไม่ทําจิตของตนเองนั้นให้วันไหวเพราะโรคกระทำอีกอย่างหนึ่งหมาบุรุษนั้นรับความผิดเช่นนั้นคือความผิดบอกว่าที่พวกสัตว์ น, นั้นกระทาแก่ตนด้วยการตัดมือตัดเท้าเป็นต้นถามบอกว่าบางทีเนี่ยถ้าพระองค์เกิดเป็นปลาช่อนพระองค์รู้ไหมเป็นพระโพธิสัตว์ท่านรู้แต่ถามว่าเรารู้ไหมปลาดูนั้นเป็นพระโพธิสัตว์เราก็ไม่รู้เรามาทํายังไง เราก็ไปบทุสลายท่านหรือว่าพระโพธิสัตว์เกิดเป็นกระต่ายเราก็เข้าป่าเป็นนายพานก็เอากระต่ายมากินเกิดเป็นอีเห็นมั่งเป็นลิงบ้างใช่ไหมเพราะเป็นมหมดนี่เอาเลยสิเราท่านทั้งหลายเคยเบียดเบียนสัตว์เหล่านี้มามากมายเหลือเกินเนี่ยโดยเฉพาะอาตมาเนี่ยเคยอยู่ป่ามามาเคยเบียดเบียนนะนึกในใจโอ้โหเรานี่บาปกรรมแท้ะกะทําความผิดโดยคิดว่าความทุกข์นี้เราได้รับแล้ว เพราะกำลังเห่งบาปที่เรากะทําไว้ในการก่อนเพราะฉะนั้นทกนี้จึงสมควรแก่เราเห็นไหมท่านไม่ได้คิดโกรธและท่านคิดว่านี้เป็นบาปรกรรมของท่านเป็นต้นแล้วท่านก็ไม่ได้คุนเครื่องต่อคนที่ทำก็ตท่านแล้วได้ทราบว่าเราย่อมสามารถจะปลดเปลื้องสัตว์เหล่านี้ได้แม้เราจะประทุษรายผู้ประทุษรายเราแม้เราจะไม่ประทุษรายผู้ประทุษร้ายเราเนี่ยนะขั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะมีอะไรที่ต่างกันถามว่าสมมุติถ้าท่านประทุษร้าย เช่นถ้าเขาโกรธเราและเราไปโกรธท่านเราจะได้อะไรเราจะไปต่างอะไรจากเขาถ้าเขาไปเกิดลิษยาเราแล้วเราไปลิษยาตอบเราจะไปต่างอะไรจากเขาเราได้อะไรแล้วถ้าหาวท่านบูนนั้นมีคุณใช่ไหมอย่างเราเนี่ยแะท่านทั้งหลายถ้าสมมุติอาตมาจะไปโกรธอาตมาก็ไม่รู้ว่าท่านมีคุณธรรมมากกันแค่ไหน ทานบารมีศีลบารมีเนคขม้าปัญญาเวริยคันติสจจะอธิฐานเมตตาแล้วเบิกขาอาตมาไม่ทราบเลยอยู่ในกระแสขันของท่านเนี่ยมากแค่ไหนอย่างไรนั้นอาตมาก็ต้องระวังความคิดพยายามระงับชับยับยั้งเมจิตของอาตมาไปบุตุสลายเราท่านทั้งหลายใช่ไหมใช่ฉะนั้นตรงนี้นี่แหละเราท่านทั้งหลายต้องเห็นคุณของพระพุทธเจ้า ต้องเห็นบอกว่าพระองค์นั้นดำรงอยู่ในกําลังอิงคันติซึ่งกําลังทั้งปวงเป็นมูลรักษาความผิดของสัตว์เหล่านั้นไว้ในตนอดกลั้นกระทาความอดทนอยู่บำเพ็ญบารมีทั้งหลายมีทานบารมีเป็นต้นแล้วก็มุ่งเมตตาและความเอ็นดูคือกรุณาเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเราจะปลดเปลื้องสัตว์ให้ออกจากวัตฏะทุกแล้วก็เหตหิทุกเป็นต้นให้ได้ทีนี้ ความไม่อดทนย่ำเกิดขึ้นในทวารของตนโดยประเภทที่ทำให้ความไม่รู้นะความเกลียดข้านความทุสีนความหลงลืมสติความลิษยาตามมาท่านก็มาพิจารณาเห็นโทษว่ า, วาถ้าความอดทนเนี่ยเป็นมูลอย่งบุญทั้งปวงนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตะบะอย่างยิ่งประโยชน์อื่นยิ่งกว่าขันติไม่มีก็ให้ขันติเกิดขึ้นในอย่างจริงจังเพระบรมศาสดาพระนานาผู้มีขันติเป็นกําลังเป็นขันติเป็นกําลังเขาเรียกว่าเป็นพรามนะ ตอนนี้ท่านก็นมาพิจารณาถึงคุณของพระปรมาสสดาเป็นต้นเราท่านทั้งหลายถ้าพิจารณาอย่างนี้จะได้เห็นอะไรจะได้ตั้งมั่นตั้งสัตทินทียไว้ในพระผู้มีพระภาคเจ้าให้มั่นคงถ้าเราตั้งสัตทินทีไว้ในคุณของพระเจ้าไม่มั่นคงเนี่ยนะเราจะเสียหายท่านตรัสเข้าไวใช่ไหมพระพุทธเจ้าตัดสรรเสริญคุณสมบัติของผู้ที่ตั้งมั่นหรือมีศรัทธาบอกว่า ญาติสาสธาตธาคาเตอาจราสุปติทิตาสิรัญจาญาสกัญญานังอริยกันตังปะสังสิตังสังเคปาซาโดยาสตีปูชุภูตันจาดาสนัง อาธริโทติตั้งอาหูอโมคังตัสาชีวิตตั้งตัสมาสัททันเสีรัญจาปะสาดังธรรมทาสนังอนุยนเชธาเมธาวีสรังพุทธานศสาสนันติศรัทธาของท่านผู้ใดตั้งมั่นไว้ในพระธถาคต ตั้งมั่นไว้ในคุณของพระบรมศาสดาแล้วไม่หวั่นไหวตั้งมั่นด้วยดีศีลของผู้ใดงดงามผาริยาบุคคลพอใจและสารเสริญความเลื่อมใสของท่านผู้ใดมีในพ้าอริยสงและความเห็นของท่านผู้ใดเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นที่ตรงมีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเป็นต้นผู้รู้บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าเขาผู้นั้นเป็นผู้ไม่ยากจน ชีวิตของเขาไม่เปล่าประโยชน์ทั้งประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งฉะนั้นศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมผู้มีปัญญาพึงขวนขวายเนืองเนืองพึงระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเถิดฉั้นถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นบอกว่าเราท่านทั้งหลายจงตั้งสัตทินรีย์คือศรัทธาเนี่ย ไว้ในพระผู้มีพระภาคเจ้าและก็ทําความเลื่อมใสให้มั่นคงพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าอคโตเวปัสสนานังอคังดัมมังวิชานาตังอาเคพุทเเปสสนานังนัาคีเนยเยอนุตเรอาเคดัมเมเเปสสนานัง เวราคูปัสมเสสเขอาเขสังเขปัสนานางปุญญาเขเตอนุตเรออาคัสมิงดานังดะดะตังอาคังปุญญังปวัตถีอาคังอายุจวันโนจ่ายโสกิตเตสุคังบลัง อาคสซาธาตาเมธาวีอคาดัมมะสมาหิโตเดวะภูโตมนโสวาอาคปโตปโมทติตีบรรดาชนผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศเนะผู้รอรู้แจ้งธรรมที่เลิศคือผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ ผู้ทรงเป็นทักษิเนยะบุคคลอันยอดเยี่ยมทั้มบอกว่าบุคคลผู้รู้แจ้งในเอริยสัจจะธรรมทั้งสท่านผู้นั้นจกใในักเลื่อมใสในพระเจ้าผู้เลื่อมใสในพระธรรมที่เลิศเป็นธรรมที่ปราศจากราคะและมีความสงบผู้เลื่อมใสในพระสงฆ์ผู้เลิศเป็นนาบุญญเขตอันยอดเยี่ยมเมื่อให้ทานในท่านผู้เลิศบุญอันเลิศย่อมเจริญคือมีอายุเลิศวันณะเลิศยศเลิศเกียรติยศเลิศแล้วก็ความสุขพระก็เลิศ ผู้ให้สิ่งที่เลิอดเป็นเมธีเป็นบันดิตนะพรั่งพร้อมได้ทำอันเป็นเลิศถึงจะเป็นเทวดาก็ตามเป็นมนุษย์ก็ตามก็เป็นถึงความเป็นผู้เลิศ ก, ก็ย่อมปลาโมดแล้วก็ยินดีในธรรมประปทะคาถาในดีในมหาดีกาเนะท่านบอก อ, อนิสงส์แห่งการระลึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าในปัจจุบันพบ ผลในปัจจุบันจะทำให้ปราศจากโรคาพยาธิแล้วก็ปราศจากพยานอันตรายต่างๆได้รับผลวิเศษมีอายุวันนาสุขะและก็สุขติในสมปรายภพเมื่อ ก, กี้ไ้ยเราฟังพระท่านให้พรบอกว่ า, าพิวาทนาสิริสานิจจังวดดาปยิโนจัตตารดา ม, มาวทันตี อายุวันโนสุ ข, ขังบลังใช่บอกว่าสำหรับผู้มีปกติกราบไ่ามีปกติอ่อนน้อมต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพารียสงฆ์ทำสี่ประการก็ย่อมเจริญนะคืออายุวันนาสุขาพละก็เจริญแก่เขาทุกเมื่อฉะนั้นวันนี้เราท่านทั้งหลายนะที่เราตั้งใจในการที่จะมาเจริญพุทธคุณสืบค้นคุณของพระพุทธเจ้าเดินตามรอยบาทพระศาสดา บุญกุศลที่เกิดมาจากตั้งแต่เช้ามาจนถึงใ น, นปัจจุบันนี้ก็ประมวลกุศลจิตนะให้ตั้งมั่นในกระแสะของขันธาไดย้ยตนะของเราท่านทั้งหลาย